ปฏิหารสในกรณีของปฏิหารสนั้นถ้าเราจะสังเกตจะเห็นว่าในส่วนของอิทธิ ป, ปฏิหารและอาเทศนาปฏิหารนั้นความรู้สึกของพระตถาคตบอกว่าท่านรู้สึกอึดอัดขยัแขยงเกลียดชังต่ออิทธิ ป, ปฏิหารและอาเทศนาปฏิหารเป็นอย่างยิ่งเพราะมันเป็นเหตุให้ ชักจูงจิตของคนให้เข้าไปสู่ความเป็นโลกธรรมห่างไกลาจากโลกุตรธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เกิดความยึดติดมากขึ้นพระองค์จึงสรรเสริญเฉพาะตัวอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคำเทศสอนที่เมื่อบุคคลได้ยินได้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติก็สามารถเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเห็นว่าคนที่มีอิทธิปฏิหารการแสดงฤทธิ์ได้หรืออาเทศนาปฏิหารการกำหนดรู้จิตคนจิตสัตว์จิตเทวดาพรมได้นั้นเป็นอริยบุคคลซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันอริยบุคคลอาจจะมีปฏิหารทั้งสองนี้คืออิทธิปฏิหารหรืออาเทศนาปฏิหาร แต่คนที่มีอิทธิปฏิหารและเอเทศนาปฏิหารนั้นไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าเขาเป็นอริยบุคคลพระองค์จึงสันเสริญตัวอนุสาสนีปฏิหารเพราะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้บุคคลเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วจะสามารถนำพาตนเองเนี่ยนำพาดวงจิตของตน พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เกวตตนี่ปฏิหารสามอย่างที่เราได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้สามอย่างอะไรเล่าสามอย่างคืออิทธิปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหารและอนุสาสนีปาฏิหาร 1>, 1. เกวตัตตอิทิปาฏิหานนั้นเป็นอย่างไรเล่าเกวตัตตภิกษุในกรณีนี้กระทาอิทิวิธีมีประการต่างๆผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวทำที่กาบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งให้เป็นที่กาบังไปได้ไม่ขัดข้องผ่านทะลุฝาทะลุกาแพง ทลุภูเขาดุดไปในอากาศว่างๆผุดขึ้นและดำรงอยู่ในแผ่นดินได้เหมือนในน้ําเดินไปได้เหนือน้ําเหมือนเดินบนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู่บอลลังลูกคลําดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือและแสดงอํานาจทางกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้ เกวตตะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้เห็นการแสดงนั้นแล้วเขาบอกเล่าแก่กุลบุตรอื่นบางคนที่ไม่ศรัทธาเลื่อมใสว่าหน้าอาศัศจรรย์นักกุลบุตรผู้ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสนั้นก็จะพึงตอบว่าวิชาชื่อคันพารีมีอยู่ภิกษุนั้นแสดงอิทธิวิธีด้วยวิชานั้นเท่านั้นเกวตตะ ท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรก็คนไม่เชื่อไม่เลื่อมใสย่อมกล่าวตอบผู้เชื่อผู้เลื่อมใสได้อย่างนั้นไม่ใช่หรือพึ่งตอบได้พระองค์เกวตตะเราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปาติหานดังนี้แลจึงอึดอัดขยะขแยงเปลียดชังต่ออิทธิปาติหานเกวตตะอาเทศนาปาติหานนั้น เป็นอย่างไรเล่าเกวะตะภิกษุในกรณีนี้ย่อมทายจิตทายความรู้สึกของจิตทายความตรึกทายความตรองของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นได้ว่าใจของท่านเช่นนี้ใจของท่านมีประการนี้ใจของท่านมีด้วยอาการอย่างนี้กุลบุตรผู้ไม่เชื่อไม่เลื่อมใสย่ยอมค้านกุลบุตรผู้เชื่อ ผู้เลื่อมสายว่าวิชาชื่อมนิกามีอยู่ภิกษุนั้นกล่าวทายใจได้เช่นนั้นเช่นนั้นก็ด้วยวิชานั้นเกวตะท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรก็คนไม่เชื่อไม่เลื่อมสายย่อมกล่าวตอบผู้เชื่อผู้เลื่อมสายได้อย่างนั้นไม่ใช่หรือพึ่งตอบได้พระองค์เกวตตะ เราเห็นโทษในการแสดงอาเทสนาปาติหารดังนี้แหลจึงออัดขยะขแ ย, ยงเกลียดชังต่ออาเทสนาปาติหาร 3. าเกวัตะอนุสาสนีปาติหารนั้นเป็นอย่างไรเล่าเกวตตะภิกษุในกรณีนี้ย่อมสั่งสอนว่าท่านจงตรึกอย่างนี้จงตรึกอย่างนี้ อย่าตรึกอย่างนั้นอย่าตรึกอย่างนั้นจงทำไว้ในใจอย่างนี้อย่าทำไว้ในใจอย่างนั้นจงละสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งนี้แล้วแลอยู่ดังนี้เกวตตะนี้เราเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารเกวตตะข้ออื่นยังมีอีกตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันตตรัสรู้ชอบเอง สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะดำเนินไปด้วยดีรู้แจ้งโลกเป็นสรารถีฝึกคนควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกทำสั่งสอนสัตว์ตถาคตนั้นทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรหมหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรหมจรรีพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงขหะบดีหรือบุตรขหะบดีหรือผู้เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังก็ดีได้ฟังธรรมนั้นแล้ว เกิดศรัทธาในตถาคตเขาผู้ประกอบด้วยศรัทธาย่อมพิจารณาเห็นว่าคารวาดคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่คนอยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดแล้วนั้นไม่ทำได้โดยง่ายถ้าไกลเราจะปลงผมและหนวด รองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้โดยสมัยอื่นต่อมาเขาละกองสมบัติน้อยใหญ่และวงญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วภิกษุนั้นผู้บวชแล้วอย่างนี้สำรวมแล้วด้วยความสำรวมในปาติโมก ถึงพร้อมด้วยมัร ญ, ญาตและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ว่าเป็นโทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายประกอบแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมอันเป็นกุศลมีอาชีวบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลมีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมีความสันโดษ เกวตตะภิกษุถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างไรเล่าเกวตตะภิกษุในธรรมวินัยนี้ละการทรรมสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาหวางท่อนไม้และศ า, าสตราใช้แล้วมีความละอายถึงความเอนดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่เกวตตะนี้เราเรียกว่า อนุสาสนีปาติหารเกวตะภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอันอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคยญาณยเธอย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้ทุกข นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งอาสวะนี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตก็พ้นจากกามาสะวะภวาสะวะอวิชชาสะวะครั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดยานอย่างรู้ว่าจิตพ้นแล้วเธอรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วปรมจันท ร, ร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้เกวตะ เปรียบเหมือนห่วงน้ำใสที่ไหลเขาไม่ขุนมัวคนมีจักษุดียืนอยู่บนฝั่งในที่นั้นเขาเห็นหอยต่างๆบ้างกรวดและหินบ้างฟูงปลาบ้างอันหยุดอยู่และว่ายไปในห่วงน้ํานั้นเขาจะสาเนียกใจอย่างนี้ว่าห่วงน้ำนี้ใสไม่ขุนเลยหอยก้อนกรวดปลาทั้งหลายเหล่านี้หยุดอยู่บ้างว่ายไปบ้าง ในห่วงน้ำนั้นดังนี้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเกวตตะนี่เราเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารเกวตตะเหล่านี้แลปาฏิหารสามอย่างที่เราได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามด้วย